นึกว่าไอศรัทธาคือความเชื่อมั่นของเขานี่ดีมากดีมากขนาดที่ไม่ดูจากภาษากันอดทนพระยจ้าผู้มีศรัทธาหาศรัทธาได้ยากหาศรัทธาได้ลำบาก จะเอาจริงจริงจังๆนี่ก็ยากลาบากแต่ว่านักบวชนักโพสในบ้านเราก็รู้สึกว่าดีนับถือข้อวัดปฏิบตัติแต่ว่าจะให้เอาจริงจริงเนี่ยไม่ค่อยจะเอากันโยมอุบนเหมือนกันน่มาเห็นหน้าพระแล้วขอสินแล้วหิวหลายแต่เอาให้ทำไม่ค่อยเอาแล้วเอาไปเล่น เอาสินไปเล่นหมดมถ้าเราอยู่กับมคอเหมือนอดเหมือนอยากด้วยเกิ น, นแต่เอาไปเด็กเอาไปทิ้งแต่รอดมาแล้วในวันหลังนะสาขาทั้งหลายมาเยี่ยมมันจะมาหลายร้อยมาพูดถึงเรื่องอันนี้นะโยมเอาอยัางไงกันเล่า<ม>เทศได้ฟังที่นี่เกือบสามสิบปีแล้วเนี่ยหลายสาขามารวมกัน ถามว่าวันนี้กลางวันแสกๆจะถามแล้ววันนี้ไม่ได้ถามเลยว่าโยมมาฟังธรรมมาปฏิบัติที่อัตมาอุตสาห์มาสอนอยู่นี่เกือบ 30, สามสิบพษาแล้วนี่บาอุบาสิกาเราทั้งหลายเนี่ยเคยตั้งใจไหมว่าหรือดูธรรมแล้วอ่ะเคยมีสินห้าประจำไหมถาม ใครตั้งใจใจะเป็นอุบาสิการักษาศีลห้าตลอดชีวิตมีกี่คนไหมมองดูตากันดลอกแหลกหอกแหลกอกแหลกหกแหลกไม่มีใครกล้าเอาแต่ขอเอาศีลกระลไปทิ้งเท่านั้นเนี่ยขออยู่ดี่เรื่อยคนจนชอบขอนะคนจนชอบขอ ขอไปแล้วไม่รักษามันก็จนอยู่ยังเก่านั่นแหละเห็นหน้าพระก็ขออี๋ขออีกไอ้คนขอนี่มีเรื่องขอด้ไม่ต้องรักษาไม่ต้องทำขึ้นอย่างคนเราจะจนก็เพราะคนขี้เกียจเนี่ยขอได้ด้อย่างนี้มาถามมานั่นไม่มีใครเลยจะตั้งใจเอาสินห้าประการเนี่ยแสดงว่าไม่เคยเห็นอะไรมากมาย อาตมามองเห็นนล้ก็อ้ยท้อใจก็ได้บอกว่าปีบันนั้นได้บอกว่าอืีรวมกันทั้งหมดอาตมาได้เอ้ยนึกว่ามีนคนมาอยู่นี่ถามแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนวิจขี้คน เ, นเต็มชรามิจขีคนทั้งนั้นเนี่ยออดาวสหน่อยหนึ่งสะให้อายสัหน่อยนึงอย่งั้นก็ไม่ค่อยอายหรอกอืมอืม ยังขออยู่เรื่อยๆเ น, นะอมืมันเป็นของลําบากประเพณีของเราทําอย่างนั้นนะออะชอบจะเป็นอย่างนั้นอขออะไรก็ยิ่งจนขอไม่ทําขอไม่รักษาเห็นใครมาขอทั้งนั้นนะยิ่งขอก็ยิ่งจนทั้งนั้นนะอืไม่มีขอไม่มีในกายในจิตของเจ้าของเนี่ยก็ต้องข อ, อ เป็นเรื่องเป็นเรื่องอย่างนั้นแล้วเราอยู่กันมาเรื่อยๆปฏิบัติมันขาดการปฏิบัติการเรียนนี่ก็เรียนได้การรู้ก็รู้ได้แต่ว่ามันขาดการปฏิบัตินี่มันขาดหลายแสดงถ้ามันพูดแล้วม็นน้าอายแบเนาะเราเป็นเจ้าของพุทธศาสนาแท้ๆนะลูกศิษย์ทางเมืองนอกเขามาเดือวิ่งออกหน้าเราไปซะแล้ว ใช่ไหมดูดิเขามาฝึกกับเรานี่ตั้งอากาศนี่เปลี่ยนแปงลงหลายอย่างทนอยู่อาหารการควบฉันนี่เอาที่เปลี่ยนมากที่สุดแล้วทนอยู่เปลี่ยนทุกอย่างถึงแม่ภาษาคำพูดต่างๆเปลี่ยนหมดทุกระบบเลยมันเปลี่ยนแต่ เ, เขา ก็พยายามทํากันนะมันได้มาคิดถึงคำโบราณเราว่าสมัยก่อนไบเรามันไม่อดไม่อยากมันไม่อดไม่อยากไม่อดแล้วมันก็เลยไม่อยากรืมตาขึ้นเห็นพระเห็นเจ้าเห็นอะไรเห็นแต่ตานอกๆตาในไม่เคยจะเห็นกันก็เลยอิม่มเหมือนของนร่อยในบ้านนะถ้าไม่ทานมันก็อิม่ม เพราะว่าเรามันมีอยู่แล้วอันนี้ก็พระเจ้าประสงค์มีอยู่แล้วในเมืองไทยล้วก็อิม่มไม่รู้ว่าอิ่มอะไรก็ไม่รู้อิ่มลมหรืออิ่มอะไรก็ไม่รู้<อ>นี่มันเป็นสิ่งเคยพ อ, อยดีใจอยู่งั้นไ อ, อ, อ, อ้วันนั้นเคยไปพระนครเยก็เป็นกรุงเทพเห็นโยมคนหนึง่งเป็นขันธการ เมื่ออยู่ในว่านเราไม่ค่อยสนใจกับพระเจ้าพระสงค์เมื่อไปอยู่เมืองนอกหิวหิวไม่ค่อยเห็นพระเห็นเจ้าอยากจะเห็นพระเห็นเจ้าก็เลยไปเยี่ยมพระดุสิตอัตมาอยู่ในกรุง ด, ดอนนยเป็นพระฝรังก็เลยเรื่องใสนี่ก็เลยรู้สึกว่าเราเราเห็นพุทธศาสนารู้เรื่องพุทธศาสนาในคราวนั้นเนี่ย เป็นอย่างนี้ก็มีนะเพราะการที่ไม่สนใจนะั่นอ้าวแวาระการ <c oughs> น, นึกแล้วนึกแล้วนึกว่า ก, การคงย้อนไปวัดอีกนี่อาตมาก็รีรรมเนี่ยกลัวมันจะช้าไปอืมไทยตามก็่ไหมลูก ได้มานั่งพูดกับยาโยมอีกั็ผม่มีใครมานี่อืมอืมอืม า, นนาเลยฮะระเจาเทศแล้วใช่ไก็พูดไปเรื่อยๆผมรออยู่นึกว่ารถจะไปรับ มีรถไม่ไปผมก็เลยเอารถรีบไปรับท่านอาจารย์ก็ระหว่างเขา 2, 2องทุ่มตึง3ามทุ่มรถไปรับมาแล้วเลี๋ยกวก็พอดีมีรถอีกเรนบอกว่าอาจารย์ออ ก, อกอแล้วมีรถคันหนึ่งอีกรถธีวัดนั่ะเขาไปพักเพื่อนั่นอ่ะก็เลยกลัวว่าทางนี้จะ จะท่าจะท่าทางกริจัดพระมารุดหนึ่งจัดพระสันตะคีตมาแล้วก็พระมาลายองค์เพื่อม า, มาเพื่อมาสวดมนต์ยินก่อนจะมาเพระาะว่าไปเถอะได้ได้พูดกระปุกการเนี่ว่ามันไม่แน่นอนเวลาไม่แน่นอนบางทีก็สองทุ่มกว่าบางทีก็สามทุมเพราะว่าอะไรมันยังไม่เสร็จในพอดีจัดเนี่ยมันมันได้เสร็จไปก่อนเธอแล้ก็เลยจัดพระ พระทตนมาสวดมนต์เย็นก่อนพอเดนพอดีพอเขายามตาบอดอท่านบรรจารย์ไม่อยู่ผมเลยต้องเดินเข้าไปข้างในเห็นเขายังเขามาแล้วนี่พระขาวเนี่ยตอนขาออกมาเขาเขามาแล้วค อมณ์าราธนาได้เลยนี่หมดท่นี่เดียวกัสาธุมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนณทายะติธระเนนทสหะปัญจะศีลานิญาจามะทุติยังปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายะ ติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยัมพันเตวิสุงวิสุงรักนัายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต s มาส s a m u d h a t นะโมตัสสะ พัะวัตโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะพวตโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปรังสกจังธัมโมโสตพุทธิ เริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ตั้งจิตตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลในวันนี้มีท่านผู้การเป็นประธานได้นำญาติโยมทั้งหลายมาสะฐานที่นี้ เพื่ อ, อบำเพ็ญการกุศลดังนั้นวันนี้ทั้งวัดน้องประพง์และวัดป่นานาชาตินี้มีความสัมพันธ์กันเช่นวัดน้องประพง์วันนี้ก็พร้อมที่จะ ทำการมหาปรน า, าทั้งวันนั้นเนี่ยรวมกระถินในวันนั้นและวันนี้ก็ทอดกระถินพอทอดกระถินแล้วก็อาตมาก็จะรออยู่พอสมควรเพราะท่านผู้การเคยดนิมนต์มาในสมัยก่อนนั่นก็จำไว้ถึงแม้ว่ามีธุระอย่างใดก็พยายามมา พอที่จะมาร่วมในสถานที่นี้ทั้งศิญญาณุสิ์ทั้งหลายก็นำมาหลายองค์ทั้งพระไทยทั้งพระฝรั่งโปลเปกันมาเนีน่มารวมที่นี้ก็รู้สึกว่าวันนี้นะเหนื่อยมากพอสมควรแต่อย่างไรก็ต้องมามเพราะอะไรเพราะรับแขก ตอนเช้ามาตอนกลางคืนมาก็เป็นเวลานานเทศตอนเช้ามาก็ฉันจังหันแล้วก็นั่งอยู่นาทีนั้นแครก็มาไม่ได้ขาดเหมือนกันจนกว่าที่ว่าออกจากที่นั่งนั้นแล้วก็มาที่นี่นดังนั้นกาลังคนแก่ มันก็ถอยไปถอยไปแมกเสียงพูดมันก็ถอยไปลมมันก็น้อยน้อยไปอย่างนั้นฉะนั้นวันนี้ก็มีกำลังใจนี่เพราะท่านผูก้การตั้งใจมาสถานที่นี้ก็ต้องตั้งใจมาปฏิสันฐานพอสมควรอย่างนั้นก็อพากันตั้งอกตั้งใจ จะเทศให้ฟังแต่น้อยไม่เอามากแต่ว่าคงมีดุสิบหลายองค์โยมเมืองโคราชมีกำลังนั่งไหมนะ่ะจะให้พระเทศให้ฟังวันนี้ในอันตมาก็เป็นประธานส่วนหนึ่งจะขึ้นมาพูดกับญาติโยมพอสมควรเท่านั้น เส <c oughs> ร็จจิตธรวัดประพง์แล้วประมาณนี้คือการทอดกันถินปีนี้ทอดกันถินสบายมากเพราะว่าพาญาติโยมทำบุญกันไม่ได้ทำบาปทำบาปนั้นมันยากกว่านี้มันยุ่งกว่านี้ปีนี้ทำบุญแท้ๆอาหารที่ถวายพระ อุบาสิกาทั้งหลายก็ทำอาหารเจ ก, กกันก็เลยสบายไปแต่คนก็ไม่มากคืนนี้โดยรวมจะถึงจะประมาณจาก400ักสี่รอยนจะได้แต่ก็มีแต่คนมีแต่คนมาฟังธรรมไม่ใช่คนมาเล่นมีคนมาฟังธรรมเงียบสงัดเพราะไม่มีอะไรไม่มี รดนตีไม่มีอีกีนาคอนไม่ไม่มีอะไรทั้งสิ้นน่ะเบื้ อ, อ, องแรกก็นิมนต์พระนว ก, กะซึ่งมาบวชกตมาในพรรษานี้จำนวนประมาณเกือบยี่สิบคนก็พอดีขอนิมนต์ท่านขึ้นสแสดงความรู้สึกว่าในมา บวดณวัดหนองประพงต่างคนกัต่างมานั่นทุกองค์นั่นให้แสดงความรู้สึกก็จินวิราไปประมาณสักสองชั่วโมงนอกจากน้นก็ร่วงแต่มาฟังธรรมกันทั้งนั้นนะ่ะรู้สึกว่าในพรรษานี้ในปีนี้การกระทำบุญนั้นเป็นบุญอันแท้จริงๆสบาย ก็บึงวันนั้นก็เป็นบรนพระเป็นบรนพระธรรมดาผู้รักษาโบสถ์สินนั้นก็ไม่ต้องการเขาหญิงกันอยู่แล้วนี่ก็เลยเรียบร้อยไม่มีอะไรจะสุกกระปุกเปื้อนดีนี่เรียบร้อยทุกประการนี่มี่ฉะนั้นท่าว่าการกระทาบุญนั้นพระพุทธองค์คนชอบให้ทําง่ายๆไม่ต้องทำยากมันง่ายอยู่แล้ว ทำง่ายง่ายทำถูกถูกทำสบายสบายไม่ต้องเดือดร้อนอเอเมื่อคือนนี้อาตมาก็านำญาติโยมตั้งหลายร้อยมาทำกันก็รู้สึกว่าสบายไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาอา่านี่การกระทำบุญแ ท, ท, ท้แล้วก็ภูมิใจบุญคือความภูมิใจที่เราได้กระทำแล้ว ว่าเหตุการณ์ที่เรากระทาแล้วนั้นนะปราศจากความชั่ว้การลามกทั้งหลายไม่เพืเพื่อนแม่ก่อนจะทํามันก็ภูมิใจเมื่อกําลังเราทําอยู่ก็ภูมิใจเมื่อเราทําเสร็จไปแล้วก็ภูมิใจการภูมิใจนี่แหละท่านเรียกว่าเป็นบุญอืมที่เราพบปะกอยู่เสมอเรื่องภูมิใจอืม มีการกระทำบุญนั่นเนี่ยนั่นเรียกบาบุญคือความภูมิใจอบุญในเวลานี้อการภูมิใจมีหลายอย่างนะอบางทีไปภูมิใจในสิ่งที่ไม่ไม่เข้าเรื่องก็มีเพราะมันหลงไปความดีใจในสิ่งที่ว่าเราไม่รู้นะั่นน่ะก็ดีใจยกตัวอย่างวันนี้เนี่ยอ ญาติโยมเมืองโคราชมาหรือตลอดท่านผู้การนี่แหละเมื่อขึ้นรถมาแล้วนะกระเป๋าสตางค์เอาใส่ถุงมาแล้วมันดุดจ้ะผู้การก็ไม่รู้เลยก็ภูมิใจมาอยู่ก็นึกว่าสตางค์เรายังอยู่ในนั้นไอ้ความเปจริงมันน่าจะเสียใจแล้วเนี่ยแต่เมื่อกระเป๋าสตางค์มันดุดออกไปนั้นนี่ก็ภูมิใจเพราะความไม่รู้จักนะ เมื่อมาถึงวัฒนาชาติเนี่ยมาคลำดูกระเป๋าอ่าวไม่ได้เรื่องซะแล้วตกใจว่าเลยนี่อะไนี่มันน่าจะตกใจแต่เมื่อไอ้กระเป๋าสตางค์มันดุดออกจากถุงนั้นอันนั้นก็ยังภูมิใจเพราะเราไม่รู้บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้เรามีความภูมิใจกวอืมอีมีความภูมิใจภูมิใจเพราะเราไม่รู้จักอืมอะ เพราะเราไม่รู้จักเพราะเข้าใจว่าสตางเรายังอยู่เราก็คภูมิใจอยู่แต่เมื่อมารู้ตามความจริงมาถึงที่นี่เราสตับกระเป๋าสตางหายไปใจก็ไม่สบายอย่างนั้นนี่คือความภูมิใจที่หลงไปการกระทาบุญนี่กหมาากันฉันนั้นพระองค์ า, าทวธรรมมีความภูมิใจใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ปราดทั้งหลายท่านจึงสอนว่าหัวใจของพุทธศาสนานั้นไม่มากมีสองสามข้อเท่านั้นเนี่ยท่านสอนว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงด้วยกายวาจาใจานั่นแหละถูกต้องแล้วเอตังพุทธศาสนังอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นหัวใจของศาสนาแล้วอันนี้ประการหนึ่ง ประการที่สองนั้นเมื่อทําจิตของเราให้เป็นบุญเมื่อเป็นกุศลแล้วอันนั้นเอตังพุทธศาสนางอันนั้นก็เป็นหัวใจของพุทธศาสนาอันหนึ่งแล้วสกิตะปรโยธปนังการมาทํากิจใจของเราให้ผ่องใสนั้นก็เป็นเอตังพุทธศาสนางังอันนี้ก็เป็นคําสอนของพระเป็นหัวใจของพุทธศาสนา ทั้งสามประการนี้ไม่มากสามตัวอักษรเท่านั้นแนละเราจะจับกันมา ใ, ใส่ใจของเราให้มีอยู่ในใจของเราทั้งสามประการนี้ใจของเราจะเป็นหัวใจของพุทธศาสนานั่งอยู่มันก็เป็นพุทธศาสนาเดินไปก็เป็นพุทธศาสนานอนก็เป็นพุทธศาสนาอยู่เสมอแล้วเออสามอย่างท่วนี้ฉะนั้น พระพุทธองค์เราต้องการอย่างนี้จริงเรียกว่าพุทธศาสน า, สาศสตรศาสตร์คือพุทธศาสนาสนานี่เป็นาศาสตร์อันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งทั้งปวงคือหมายหมายความรู้ในทางพุทธศาสนาสนานี้ต้องปราศจากความสก ป, ปกงุมง่ายสะอาดเมื่อทำแล้วก็สบายใจทำแล้วก็สบายใจ เสร็จไปแล้วก็สบายใจอยู่อันนี้ฝังอยู่ในใจของเราอย่างนี้เราจะเห็นดนว่าเมื่ อ, อไรเราละบาปแล้วนั่นเราเ้าถึงหลักพุทธศาสนามเมื่อละบาปแล้วใจเรามันก็สบายไม่มีอะไรวุ่นวายไม่มีอะไรอยู่ในใจอันนั้นเป็นจิตใจที่สะอาดผ่องใสอันนั้นท่านับเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในตรงนั้นเป็นความสงบขื้นในตรงนั้น เพราะหัวใจพุทธศาสนามาซ่อนแทรกในหัวใจเราอีกตอนนั้นไปใจเราก็จะผ่องใสเพราะว่าไม่มีอะไรอยู่ในนี้มีแต่สิ่งที่ถูกต้องทั้งนั้นเนี่ยท่านเรียกว่าจิตอันนั้นมันสะอาดทั้งสามประการนี้มารวมอยู่ที่จิตของมนุษย์แล้วมนุษย์ผู้นั้นจะเป็นผู้ถึงพุทธศาสนาไม่เ ด, ดือดร้อนกระวนกระวาย นั่นก็เดียบเป็นบุญแล้วก็เป็นกุศลด้วยบุญแปลว่าความภูมิใจกุศลแปลว่าความฉลาดฉลาดในการกระทำบุญในบุญมาก็ภูมิใจด้วยความฉลาดกราดทีจากวนทินทั้งหลายนั้นฉะนั้นบุญก็เป็นประเภทอันหนึ่งกุศล น, นี้ก็เป็นประเภทอันหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นการกระทำบุญนี่ให้ประกอบด้วยปัญญาคือความฉลาด ความฉลาดนั้นเป็นเหตุให้สะอาดไม่สุกกรปุกเป็นต้นเดียยวบวบุญเดียยวบาบุลโดยเมื่อพวกเราชาวพุทธทั้งหลายนั้นการกระทำบุญนั่นก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าแต่ไม่เข้าถึงหลักพุทธศาสนาทมบุญปราศจากความฉลาดทุกสิ่งสารพัดก็เป็นอย่างนั้น ฉะนั้นบนนี้นะไม่มากแต่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องการละบาปนั่นแหละมากกว่านะการละบาปนั่นแหละมากกว่าการละบาปนั่นคือทาสถานที่ให้มันสะอาดคล้ายๆที่เราเรียกว่าเราจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งน่นะที่ปลูกบ้านนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก อืเป็นฐานที่แน่นหนาถาวรบ้านนั่นจึงจะยืนยงคงตัวอยู่ไรนานอันนี้นั่นเป็นฐานนันหนึ่งเหมือนกันการกระทำบุญทำกุศลของเรานี่เป็นเป็นรากฐานคือจิตใจของเรานี่ทําจิตใจของเรานี่ให้สงบระงับอืมคือมันปราศจากโทษอะไรทั้งหลายทั้งปวงนั่นแม้จะนั่งอยู่มันก็เป็นบุญจะนอนอยู่ก็เป็นบุญจะทําอะไรอยู่มันก็เป็นบุญ ทำให้บุญเกิดอยู่ในใจนั่นเองบุญไม่ใช่ว่ามันไปเกิดอยู่อย่างอื่นให้มันเกิดอยู่ที่ใจของเราเพราะเราเอาเครื่องสกปรกออกแล้วเอาบาปออกแล้วเอาความผิดออกเสแล้วนั่นอยู่เท่านั้นแหละบุญมันจะเกิดที่นั่นเมื่อเราบําเพ็ญบุญเฉยเฉยไม่เอาบาปออกไปซะนะมันเกิดรวุ่นวายนี่นี่สับสนอนเวงได้ยอย่างไรประการนะ อัตอมาเคยเห็นโดยมากที่มาทอดผ้าป่ากันมาสแสวงบุญกันหลายคันรบแต่มอง ง, องดูแล้วก็จริงมาทำบุญกันแต่ว่าไม่ค่อยละบาปกันนี่นี่มันผิดตรงนี้นมันไม่เข้าถึงหลักพุทธศาสนาเมื่อทำไปแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์ขึ้นในใจเมื่อไม่มีเกิดประโยชน์ขึ้นในใจแตบปัญญามันก็ไม่มี มันก็บกพร่องในการกระทำของพวกเราทั้งหลายนั้นอันนี้ให้เป็นการบ้านของญาติโยมทั้งหลายไม่ไกลไม่มากเท่านี้มันก็พอในการลาบาเป็นเมืองต้นก่อนฉะนั้นเมื่อเราจะทําบุญเมื่ อ, อไรนั้นเช่นวันนี้นะวันนี้มาทําบุญท่านผู้การกับผู้มือขึ้นมาแล้วว่ามะยังพันเตติสรณนีนัจะหะ ปัญจศิรนิยาจาักนี่คืออะไรนะนี่คือทำเครื่องสปกปรกออกจากใจไม่ฆ่าซัดไม่ลักทรัพย์ไม่ระพติพิษในกามไม่โกหกเหลียวไหลไม่กินสุราเอาเจ้เครื่องสปกปรกทานั้นออกใมมันจะไม่สะอาดมันจะอยู่ได้เดอมันก็จิตใจมันก็สะอาดเท่านั้นันพ่บรรพุษทันบะอันนี้เดียกว่าศีลใส่กขไปตรงนั้น ทำให้สะอาดเป็นพื้นใช่ไหอ่าเป็นศีลเมื่อมันเป็นศีลเนี่ยสมาธิมันก็เกิดคือความสงบระงับอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเพราะป่าที่จากเครื่องวุ่นวายเมื่อความสงบเกิดขึ้นเนี่ยปัญญามันก็ตามมาอ่าอ่าเนี่เมื่อปัญญามันตามมาแล้วก็รู้เท่าสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นมาในดักของพุทธศาสนาตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญา ทั้งสามประการนี้เป็นหลักเป็นหัวใจสิ่งที่สำคัญในหลักพุทธศาสนาเมื่อสิ่งทั้งสามประการนี้เกิดขึ้นเป็นมรรคและเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาทั้งสามประการนี้แหละรวมพุทธศาสนามารวมเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาอันนี้เป็นทางมรรคที่เราจะต้องเดินเมื่อเราประพฤติปฏิบัติอยู่แบบนี้ ความรู้สึกองได้จะเปลี่ยนแปลไ ป, ไปจะรู้จักว่ามันทุกข์เห็นทุกข์รู้เหตุเกิดของทุกข์รู้จักความรดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบปทาถึงความรดับทุกข์ท่นนี้ออกทางนี้เผ่าพุทธชนเราทาั้งหลายในครั้งพุทธกาลก็ดีในสมัยนี้ก็ดีต้องออกทางนี้ออกทางนี้รู้จักทุกข์ทุกข์นี้นะ ญาติโยมทางไหลายคงจะเคยพบแล้วมั่งทุกเนี่ยเคยพบวันนี้อัตมาก็เห็นอญาติโยมพูดสิสาคัญมาเยี่ยมนะพอพูดไปพูดมันทุกในใจก็เลยนั่งอยู่ต่อหน้าน้าตามันหยุดต้องรับครับครับอัตมาก็ไม่รู้ไม่เห็นเป็นแผลไม่เห็นเป็นอะไรเลยน้ําตามันไหลออกมา ม, มันไหลออกมาจากกองทุกขมันบีบนะบีบเข้ามา อัตมาเคยฟังทำอันนี้นหละไอ้น้ำตาน้ำอันนี้ไม่หมดแล้วมันไม่หมดทุกข์หรอกอยู่ดีๆก็นั่งน้ำตาไหลเหนออกมาอย่างนั้นนะอัตมาก็สงสัยไอ้น้ำนี้มันออกมาจากอะไรนะมันคงมีอะไรบีบเปนออกมาเป็นน้ำตาไหลออกมาอัตมาก็ไม่ได้ถามนอกแต่ว่าเห็นเหตุผลแล้วว่าน้ำอันนี้มันไหลออกมาแล้วมันต้องทุกข์หรอกมันต้องทุกข์ คนผู้ที่งสาคัญคือมันทุกข์ทางในอย่างงทุกข์ทางใจเงิ น, นง ม, ม, มันก็มีราศก็มียศมันก็มีแต่ว่ามันทุกข์นี่ไม่รู้มันเป็ น, นทุกข์หรมันต้องอาศัยอะไรมันอาศัยทีนีว่าไอ้ความไม่พอใจนั่นเองนะนี่สิ่งอื่นมากๆมันก็มีแต่ว่ามันไม่พอใจ มันขาดสิ่งที่พอใจของคนนั่นมันเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาก็มาเรียนถามอาตมาว่าอิจฉันมันเป็นทุกข์จะให้อิจฉันดังนับยังไงได้ทุกข์ยองรู้ไหมว่าทุกข์เนี่ยมันเป็นยังไงไหมมันเกิดมาจากอะไรยองรู้ไหมดูที่ตามมูเนี่อาตมาก็ไม่รู้กระยมเลยนี่ก่อนมันจะทุกข์มันเป็นเพราะอะไรมันเกิดมาจากอะไรไหม ให้ดูในจิตเดียวนี้นะ่ะจะเห็นโยมจะเห็นของโยมเองไม่ต้องเป็นคนคว้าอย่างอื่นอัตมากรียกกระโถนขึ้นอยู่อย่างนี้อย่างโนยยุตสบรรมันไม่หนักพอยกกระโถนใบนี้ขึ้นมันเริ่มหนักขึ้นมาแล้วพอระวางกระโถนใบนี้มันเริ่มหายหนักแล้วนี่มันเป็นเพราะอะไรถ้าหาเรายกกระโถนขึ้นมันหนักก็เพราะเราไปยกกระโถนใบนี้ขึ้นมามันก็หนักนนี่พูดจะเห็นง่ายๆ เมื่อมันหนักมัจะหายหนักโดยวิธีอะไรเล่าต้องวางกระโถนใบที่ลงดูทีเบาแล้วใช่ไหมนี่มันเบาเพราะอะไรเพราะเราวางกระโถนใบนี้ม น, นเลี้ยงอัตมา ก, ก็จับกระโถนยกขึ้นทีหนึ่งกาวให้พังให้วังอย่างนี้มันทุกตรงนี้ไม่ใช่ทุกที่ อ, อย่าไปคั่วที่ไหนมันทุกตรงนี้แหละให้พิจารณาซะเป็นเทศในฝังสักพักหนึ่งน้ําตาก็เลยหายหยุดนะ เลยหันมาพูดกับตะมาโดยที่เสียงไม่สั่นนะถ้าวันหลังนะ่ะถ้าหาว่าคุณนายนะไม่สบายะมะมหาพระ่ะค้นหาเหตุมันในมันได้ซะนี่เท่านี้แต่คนมันมีทุกการกระทำบุญทุกวันนี้การฟังธรรมทุกวันนี้โกแก้ทุกคือแก้ปัญหาในชีวิตที่เราเกิดมานี่นะมันมีทุกขแต่ว่ามันทุกเกิดขึ้นมาแล้วคนเรากลัว คลัวมันพระพุทธองค์อาจานสอนมาทุกเกิดเกิดมาแล้วไม่ต้องกลัวไม่รู้มันนี่คือทุกข์เข้าไปหาทุกข์คนเราชอบทุกข์ทุกข์เกมาเ ล, ลือดรทุกข์ในครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันนะคนทุกข์เลยจึงเข้ามาหาพระมเมื่อมันร้อนเลยจึงเข้าไปในร่มถ้าไม่ร้อนเนี่ยตากแดดทีนไหนก็ได้ไปไหนก็ได้มันมีเหตุอย่างนี้ทุกคน ดังนั้นทุกนี้จึงเป็นสัจธรรมทุกนี้เราเคยผ่านกันมาทุกคนทุกคนทุกเนี่ยมันเคยผ่านมะทุกทุกคนเคยผ่านมาแต่ไม่รู้จักระงับมันไม่รู้ว่ามันเกิดมาจากอะไรต่ออะไรนะอืก็เลยคิดไปคิดไปคิดไปได้ร้องไห้มันทุกไม่รู้จักทางออกอย่างนี้อัตมาว่าต้องคลำดูต้องคลำดู มันต้องมีหันทางที่มันจะแก้ไขมันเพราะพระพุทธองค์ของเราจะสอนว่าธรรมะนี่แก้ทุกข์ให้คนแก้ทุกข์ที่เกิดจากหัวใจของมนุษย์ทแท้แต่เราไม่รู้จักตัวเราว่าเมื่อมันทุกข์เกิดขึ้นมาเราไม่ตามดูว่าทุกข์นี่มันเกิดมาจากอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เลยไม่รู้จักแก้มันอย่างนี้ท่าะนั้นทำทจัดว่าทุกข์นี่เป็นสัจธรรมทุกข์ัตต์ชมุทัยสัตสมาาสตมกขัต นิโรธาสัตว์พระพุทธองค์ก็ออกทางนี้สาวกทุกองค์ออกทางนี้ใครๆก็ออกทางนี้อือันนี้เป็นอริยสัตว์นางนั้นเมื่อทุกทเกิดขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาให้รู้แยบคายว่าอันนี้สักว่าจะทุกข์ความเป็นจริงเนี่ยทุกข์มันล้่นเหลือแต่เราไม่รู้เรื่องของมันที่เราอยู่กันทุกวันมันทุกข์ทั้งนั้นนะอยู่ ทุกมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็เรียกว่ามันทุกข์เมื่อทุกข์มันดับไปเราไปเรียกตรงมันดับนั้นว่าสุขเนี่ยเห็นไม่ชัดเห็นเป็นสุขเพราะทุกข์มันดับไปเฉยเมื่อดับแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกก็เป็นทุกข์ทุกข์เกิดมาแล้วก็ดับไปก็เป็นสุขเราก็ไปตะคุบทุกข์ก็ตะคุบสุขก็ตะคุบทุกว่ามันคนในอย่างกันพระท่านสอนวะ่า มีแต่เรื่องทุกข์มันเกิดมันดับเท่านั้นแหละอื่นนอกนั้นไม่มีให้พีน่นาเตะดูแล้วก็ใช่เหมือนกันทุกข์เกิดแด็กก็ทุกข์เราถ้ามันเกิดมาเราไปสําคัญแต่ตรงนั้นเป็นทุกข์ถ้ามันดับไปเราไปสําคัญตรงนั้นเป็นสุขเนี่ไอ้ความไปริงของเก่ามันทุกข์มันเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ตะคุบอยู่งี้ตะคุบอยู่ี้ตะคุบนะตะคุบแต่ทุกข์น่นแหละแต่ว่ามันไบตัวบางทีมันคล้ายคมันสุขบางทีคล้ายคมันทุกข์อยู่อยงนี้ เราก็ปรารถนาเอาสุขเมื่อปราถนาเอาสุขแล้วเมื่อสุขให้ไปทุ ก, ก็เกิดพิมาอีกหลักของพุทธศาสนานั่นท่านหมายถึงความสงบสิสงบจากความสุขนั้นความทุกข์นั้นนั่นคือความสงบเราต้องการความสุขนั้นแหละความสุขนั้นคือทุกอันใดที่เรายังไม่รู้จักสุขกอดีทุกข์กอดีสองอย่างนี้นเราก็เห็นว่าสุขนั่นฉันชอบ ฉันต้องการความสุขฉันก็ต้องพยายามหาความสุขเท่านะั้ก็นึกว่าสุขนั้นมันไม่มีโทษไม่ใช่สุขนั่นตัวเอกมันนะนะตัวมันเป็นทุกข์แล้วนะั่นนะสุขก็ดีทุกข์ก็ดีนะ่ะมุ้งกันกงูตัวเดียวกันทุกข์คล้ายๆกระหัวงูสุขคล้ายๆกระหางงูเพราะเราไปเห็นงูตัวนี้มันยาวหางมันอยู่ทางนี้ปากอยู่ทางโน้น เราก็คิดว่าเออทางปากมันจะเป็นภัยเว้ยไอ้ทางหางมันไม่เป็นอะไรหรอกมันไม่มีปากอยู่ตรงนี้นยอย่าไปใกล้ปากมันเออมันจะกัดเอ้ามันจะชกเอ้ามาจับหางมันดีกว่าเนี่ยเพราะมาปากมันอยู่ตรงนี้เรามาจับหางก็หางงูเห็นไหมไอ้ตัวหัวงูมันก็วกมากัดมันก็มันก็ทุกข์อีกเหมือนกันเนี่ยเพราะหัวงูก็อยู่กับงูหางงูอยู่ในงูตัวเดียวกันนั่นดีเราไม่รู้อย่างนั้น เราไม่รู้เลยว่าสุขมันก็เป็นอย่างนั้นทุกข์ก็เป็นอย่างนั้ น, น, นความเป็นจริงมันก็อยู่ในงูตัวเรียวกันนั่นเองนะเราสร้างทุกข์เกิดขมาเท่านั้นแหละตรงนั้นดัง น, น, นั้นพระอานารยนสอนว่าไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นอกจากทุกข์มันเกิดแลว้วก็ทุกข์มันดับเท่านี้ไม่มีอะไรเท่านีนน้เลือกที่ว่าเราแสดงหาความสุขนั้นก็เราคิดว่าสุขมันดี อันดีมากเกินไปก็ยิ่งทุกข์ข้าไปเพราะเราไม่รู้จักบาทุกเมื่อหันเหนมาดูธรรมะของพระพุทธเจ้าฟังแล้เออสุขนี้ก็ไม่ใช่ความสงบบ้างสุขทุกข์นี่ดูแล้วมันเหมือนกันทั้งนั้นเนี่ยอันเดียวกันแต่เวลานึงหมายถึงมันเป็นสุขเวลาหนึ่งมันเป็นทุกข์นั่นะนั้นคนต้องการความสุขสุขมันหายไปแต่ทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเท่านั้น อืมเนี่ยมันอันเดียวกันอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธองค์ธรรมทันทึงสอนว่าให้พวกเราทจงได้ถึงความสงบสงบนั้นเมื่อทุกเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าเอออันนี้ไม่ใช่ปล่อยมันซะให้รู้เท่ามันซะนี่สุเกิดขึ้นมานี่ก็เหมือนกันทั้งนั้นเนียย่าไปหมายมั่นมันเลยเป็นเรื่องธรรมดาของมันอย่างนั้นเราจะสร้างกรรมอันนี้ขึ้นมาให้มากๆสร้างขึ้นมา สร้างขึ้นมาจนกว่าที่มันโตมันสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาจนกว่าที่มันพ้นจากสุขหรือทุกข์อันนี้เรียกว่าความสงบนี่เมื่อความสงบนั้นพ้นจากสุขแล้วพ้นจากทุกข์แล้วนั่นคือหลักของพุทธศาสนาที่แท้จริงนี่ทีนี้อันนี้ให้เป็นการบ้านของโยมทั้งหลายนี่ให้เอาไปพิจารณามันจะจริงหรือเปล่า พระธรรมมันนี้พระพุทธองค์ไม่สนรเสริญมาผู้ที่เชื่อกับคนอื่นนั่นท่านไม่สัรเสริญท่านสนรเสริญมาเป็นปัจจดตังเชื่อรวยปัญญาเกิดขึ้นเฉพาะดวงใจคนออกเองนี่ฉะนั้นท่านจึงให้เป็นปัจจดตังรู้เฉพาะตัวเราอย่างนั้นอันนี้ญาติโยมทั้งหลายนี่โดยมากจะมาฟังพระเทศหรือฟังอัตมาเทศบางคนก็คงจะเชื่อหมด แต่อัตมาขอห้ามอย่าไปเชื่อหมดอย่าไม่เชื่ออย่าเชื่อย่าไม่เชื่ อ, อ, เ, อ, อ, เ, อเอาวางวางไว้ให้ปัญญามันเกิดก่อนในสมัยหนึ่งองค์ปสาดีบุตรนั่งฟังธรรมพระบรมศาล า, าอยู่นั้นทัติอธิบายไปดีดีถึงพักหนึ่งพอสมควรพระพุทธองค์ตรัสว่าสาดีบุตรท่านเชื่อเราหรือนี่พระสาดีบุตรจงไปเลยผมยังไม่เชื่อพระเจ้าค่ะ อ้าสาบุดีแล้วนักปราชญ์จะเพิ่งเชื่องง่ายๆเลยไข้ควนก่อนถึงเชื่อเห็นไหมนี่แสดงว่าให้เห็นเป็นปัจจังด้วยตนเองนั่นพระพุทธองค์ให้โอกาสถหารบาคนในสมัยนี้้าวมะฉันไม่เชื่อคงอาจารย์คงจะโกรธหรือมั่งนี่เนาะคงจะโกรธแม่สอนบอกเชื่อแม่ไมมลูกไม่เชื่อแม่คงจะโกรธไหม อืมนะพ่อเชื่อพ่อไหมลูกไม่เชื่อพ่อคงจะโกรธไหมนี่อันนี้พระพุทธศาสนาท่าัดอย่างนิ่มนวนเลยเชื่อแล้วหรือพระสารีบุตรอพระสารีบุตรแต่ว่าข้าโปอยงยังไม่เชื่อท่านเห็นด้วยดีแล้วพระสารีบุตรนักปรานไม่ควรเชื่อง่ายใจตรองด้วยเหตุผลแล้วจึงเชื่อเนี่ยเป็นอย่างนี้ท่านต้องการว่าให้เราดูใจของเราเอง อย่างนั้นจึงประกันสอนใจให้ระวังใจสิ่งทั้งหมดในตัวตนของเราเนี่ยตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีเป็นอย่างหนึ่งเป็นบริวาลของใจอย่างนั้นพระพุทธองค์สอนว่าใจนี่เป็นสิ่งสำคัญระวังนะท่านจงระวังใจของท่านท่านจงระวังใจของท่าน ท่านจะดีจะชั่วทุกอย่างเพราะใจของท่านท่านจึงราวางใจใจนี้มันเป็นพิษยิ่งกว่างูพิษทั้งหลายเสียแล้วถ้าพิษมันหมดไปยิ่งกว่าสิ่งทั้งหายมันอังงับไปแล้วอย่างนั้นใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญจะพูดก็มีใจถึงก่อนจะทำก็มีใจถึงก่อนจะเป็นอะไรอะไรก็มีใจถึงก่อนทึงนั้นมีฉะนั้นดวงใจของเรานี้พระพุทธองค์จงึงตัดว่า เรื่องพุทธศาสนานี้เป็นเรื่องของ จ, จิตใจเป็นเรื่องของ จ, จิตใจเป็นศาสนาเรื่อง จ, จิตใจเป็นศาสนาเรื่อง จ, จิตใจอันนี้อตาตมาจะเล่าให้ฟังอตาตมามีดุษฎ์ฝรั่งคนหนึ่งเขาเรียนจิตศาสตร์จบ <c oughs> จบจิตศาสตร์แล้วออกมาเมืองไทยมาบวชอตาตมาอยู่วัดประโคง น, นั้นเป็นจิตศาสตร์รู้ล่ะสอบได้ จบจิตศาสตร์นะแต่ว่า <c oughs> ทุกบ่อยๆ <c oughs> มัวงูตายพ่องู <c oughs> จับงูกับทวนทวนไม่รู้เลย <c oughs> นี่แหละเรือนจิตจบจิตศาสตร์มันจบแต่การภาคเรียนแต่จิตใจนั้นมันไม่ถึงมันไม่จบมันให้ทุกบ่อยๆมันน่าจะจบจิตศาสตร์แนวมันน่าจะรู้จักจิตของเจ้าของที ออันนี้เป็นต้นจิตมันให้โทษเราบ่อยๆบ่อยๆจนกว่าจะศึกไปในอี้เนี่ย น, นะนี่นี่มันจบแบบห่เียบจิตศาสตร์ตามหลักการวิชาการมันเป็นอย่างงั้นตัวหนังสือมันเป็นอย่างหนึ่งตำรามันเป็นอย่างหนึ่งนะฉะนั้นพระบร ม, มครูท่านจึงสอนว่าการเรียนทำก็ดีแต่ว่ามันไม่ยิ่งการรู้ทำก็ดีแต่ว่ามันไม่ยิ่งนี่นะ การปฏิบัติธรรมก็ดีแต่ว่ามันไม่ยิ่งการเห็นธรรมก็ดีแต่ว่ามันไม่ยิ่งนี่ทิ้งหมดอันมันยิ่งเพราะอะไรเพราะเห็นธรรมเพราะเป็นธรรมถ้าเป็นธรรมแล้วเลยใจมันเป็นธรรมธรรมทางไหนมารวมอยู่ที่ใจมันเป็นเอโกธรรมโมธรรมมีเท่านี้อันเดียวเทานี้คือรวมใจนั่นฉะนั้นหลักพุทธศาสนานี้ท่านจริงอ เป็นไปในแนวที่เกี่ยวกัจิตใจเรื่องพุทธศาสนาของเราฉะนั้นอาตมาจึงสามารถพูดว่าพุทธศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่สูงส่งเป็นศาสตร์ที่ทําศาสตร์อื่นๆเป็นต้นให้สมบูรณ์ขึ้นโดยระดับทั้งมีความรู้ทั้งมีความดีทั้งมีปัญญาเกิดขึ้นศาสตร์อื่นนั่นโดยมากมีความรู้แต่ความดีไม่ค่อยจะมีมันเป็นไ า, ยยางนั้น ฉะนั้นขอพวกญาติโยมทั้งหลายมาทําบุญกุศลวันนี้จงรู้สึกเถอะว่าจิตเป็นเหตุระวังจิตของเราให้รู้ไหมว่าบัดนี้โยมจะดีใจเนี่ยมันดีใครพาดีใจรู้ไหมหูหรือตาไหมยหมไม่ใช่จิตดูดูทีวันนี้มันจะโกรธมันจะดุเพราะอะไรไหมตามันดุหรือหูมันดุไหมดูไปดิใจมันจะไม่ค่อยดีเนี่ยเพราะอะไรตรงนั้น เทาจิตถึงนั้นน่ะสมพระพุทธองค์ของเราธรระให้สอนจิตเมื่อเราสงสอนจิตของเราจิตก็จะ เ, เป็นไปแล้วไอ้ความสุขความโทมันจะตามเข้ามาสู่เรานนั้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นบริวารเท่านั้นเนี่จิตนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมีิฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายมาวันนี้ก็ขอให้จงสังวรสังรวมระวังจิตจิตนี่มันเป็นโทษอย่างไพศาล จิตนี้มันเป็นประโยชน์อย่างมากมายธรรมธรรมถูกต้องมันเกิดประโยชน์มากไปเกินนะจิตนี้ก็คงจะมีทุกคนนะมั้งนี่เนาะแต่อันนี้ไม่มีตัวมีตนนะ่ะแต่คนรู้จักไหมว่าจิตนี้คืออะไรไหมญาติโยมคงจะเอามาทุกคนว่าจิตมบบ น, นี้แต่จะถามว่าจิตมันอยู่ตรงไหนคงจะพูดยากเหมือนกันนะอืมพูดยากขออะไรก็ได้ใครเป็นคนที่รับรู้อัตมาเทศน์ให้ฟังเนี่ยใครเป็นคนรับรู้ คนที่รับรู้คือใครเด่มันอยู่ตรงไหนนี่ให้รู้เข้าไปเะจะรู้ถึงว่าอันนั้นคือจิตของเราที่รับรู้อันนั้นจะพาเราวิ่งไปวิ่งมาพาเราดีเราชั่วพาเราดีใจเสี ย, ยใจก็เพราะอันนี้เองฉะนั้นอยา่าโจรใงจงรักษาอันนี้ให้มันเห็นชัดเข้าไปจึงเรียกว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนานี่ถ้าเราเข้าใจในเรื่องนี้แล้วอะไรทุกอย่างมันจะเบาไปหมดทุกอย่าง ที่เราทุกวันนี้ไม่ถึงขนาดนั้นสอนกันแต่เพียงว่าให้มีศีลธรรมเท่า น, นั้นก็ลําบากอยู่แล้วอย่าเบียดเบียนกันนะอย่าอิจฉากันนะเท่านี้ก็ยังไม่ก็จะเห็นกันเนี่ยจะให้ระละวางนั้นก็มันก็ลําบากเหมือนกันแตเริ่มต้นก็นเป็นศีลธรรมให้เรามีศีลธรรมกันอย่างเท็ปอันเนี้ยนายกอยากได้เดียเกินแต่ว่ามันเป็นของคนอื่นซะก็เลยกลับมา กลัวมันจะเป็นโทษเท่านี้ก็พอแล้วไม่กล้าจะเอาเลยไม่กล้าจะขโมยแล้วเพราะมันมีของเท่านี้ก็ถงไปได้ศีลธรรมนี่ไม่ต้องละมันเอาเทศไม่ใช่ได้สบายเลยอย่างนี้ตัวอย่างมีอันอื่นก็เหมือนกันอย่างนั้นให้เห็นขนาดนี้ก็พอรู้แล้วก็ต้องละต้องพยายามอดทนการปฏิบัติตามเนี่ยแบบปฏิบัติธรรมะการอดทนคือมันอยากจะทำความชั่วยอยู่นั้นแต่เราพยายามสอนใจเราไม่ทํา นี่คือการปฏิบัติปฏิบัติตไปดีดืๆจนกว่าที่ว่าจิตใจมันชำนาญจนมารู้จากผิดจากถูกรู้จากบาปจากบุญรู้จักคุณจากโทษอาตมาเคยสอนญาติโยมทั้งหลายว่า ง, ง่ายๆแต่ว่ามันยากสัหน่อยหนึ่งสอนยไงสอนยังไงัหมไปที่ไหนได้เคยยินว่าฉันไม่รู้อะไรไม่รู้จักอะไรเรียนลำบากไม่รู้จักการเน่าเรียน แต่ไม่ต้องโมเลิกสนะักเออเลิกก็ได้เด็กก็ได้นะบอกเดี่ยเมื่อเราจะภาวนาอ่บริกรรมอย่างนี้ง่า ย, ายวะ่ะให้มันเห็นด้วยกันอยู่บ่ทำดีได้ดีนี่ทาชั่วได้ชั่วนะก่อนเราจะนอนนะนทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเดี๋ยวกำหนดรวมหายใจไปไดีดีนะรู้จัก บอกนี้่ทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วจนผู้รู้เรามารับเอาดีเอาชั่วเราไปอยู่ในภายในความรู้นั้นจนจิตของเรา่องใสรู้จักดีรู้จักชั่วเมื่อมันรู้จักชั่วมันก็วางความชั่วเมื่อมันรู้จักดีมันก็ประพฤติความดีถ้ามันชั่วมันไม่ทาแล้วมันเลิกแล้วมันสร้างความดีเรียวนั้นนหะจิตของเรารับแล้วรู้จักดีรู้จักชั่วแล้วโดยมากญาติโยมเราทางนั้นไม่คยรู้จักดีจักชั่วนะบางทีจะชั่วก็ไปทํำ ทำไปจนเจ็บใจจนร้องไห้ก็ยังไม่รู้บอลชั่วนะไม่รู้จดีจักชั่วให้ทําไม่รู้จดีจักชั่วเมื่อเราบริกรรมอย่างนี้ไปเนะี่ยเมื่อมันตกอยู่ในกระแสจิตของเจ้าของมันรู้จดีจักชั่วมันก็รู้จักบาจักบุญ น, นะมันก็เป็นคนสอนง่ายเริ่มึ้นมาเท่านั้นเองเนะี่ยนี่ง่ายสอนอย่างนั้นภาวนาด้วยไปเมื่อนั่งภาวนาแล้วก็อทําดีดี อ้ทางชั่วไอชั่วท้ามันอยู่ตรงนั้นนี่ยถ้ามันรู้จักดีรู้จักชั่วแล้วมันก็ปฏิบัติตามมันก็สร้างความดีขึ้นความชั่วก็ละไปเองของมันเองอย่างนั้นมันก็ถึงความสงบตนนัเองให้มันติดอยู่ดีหมันติดอยู่ชั่วอยู่างเงี้ยต่อไปคนดีเนี่ยถ้าเรายึดเป็นนานหยุดไม่วางให้ใครเลยนะเช่นอย่างนี้ฉันถูกคนเดียวนะคนอื่นผิดหมดอย่างเนี้เนี่ยอาศัยคนดีเป็นอยู่อย่างนี้ ไอ้ความดีเนี่ยอถ้าเราไปยึดมัน่นถือมันไม่วางนะั่นก็เกิดชั่วได้เหมือนกันแ น, น่เกิดชั่วได้เหมือนกันอืตายเพราะความดีนั่นเนี่ยคือไม่รู้จักใช้ของดีไม่ดูจักประมาณนั่นเพราะว่าท่านสอนมาให้สร้างคนนี้ก็ติดดีนะ น, นะได้ดีมาก็ไม่ปล่อยมีอุปทานมั่นหมายอยู่ไม่ขาดอันนี้ก็เป็นโทษเหมือนกันสมที่สุดเดี๋ยพระพุทธเจ้าก็จะให้ปล่อยให้ดูดีให้ดูชั่ว ถ้ารู่มันดีก็ไม่มีโทษชั่วก็ไม่มีตัวโทษเราปล่อยวางมันท้งนั้นอย่างนี้นเป็นต้นพระพุทธองค์การสอนกันไปอย่างนั้นอะไรก็ชังมันเถอะวันนี้สารูปไปความว่าอใจใจนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากมีโทษมากมีคุณมากเราจะร้องไห้กับพ่อใจของเราเราจะหัวเราะกับพ่อใจของเราเราจะเสียใจกับพ่อใจของเรา เราจะดีใจกับพอใจของเราถ้าโยมยังไม่ชัดดูนะถ้ามันโกรธมาเน่ยดูไปในจิตใครโกรธหูมันโกรธด้วยตามันโกรธไหมดูสิโยมจะรู้จากเหตุมันเกิดมาจากไหนแท้ๆเออนะให้โยมจะดูนะเมื่อมันดีใจเกมันดีมาจากหูหรือมันดีมาจากตาหรือมันดีมาจากใจถ้าโยมตามอย่างนี้สังรวมอย่างนี้โยมจะรู้จากเหตุมันเกิดมา ถ้ารู้จกักเหตุที่มันเกิดมาเกิดไประงรับตรงนั้นตรงที่มันเกิดมานะั้นนะมันก็ระรับนั่นนนัก็เรียกว่าเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมะถึงจุดมันแล้วอย่างนี้เป็นต้นอะไรทั้งหลายทาั้งปวงในโลกมันก็จะเปลี่ยนไปเสมออย่างนี้จะเห็นโลกนี่เป็นโลกวิถีนะโลกนี่เป็นโลกวิถีโลกนี่มีความ ส, สม่ำเสมอเพราะมันอยู่อย่างนั้นแต่เราต้องการอยากให้มันเป็นอย่างนั้น อยากให้เป็นอย่างนี้เท่า น, นั้นแหละมันก็เลยไม่พอใจของเราพระพุทธเจ้าของเราท่านรู้เกิดในโลกนี้ท่านก็เอาโลกนี้ไปพิจารณาท่านเห็นปณิพานพันทุกท่านก็เห็นในโลกอันนี้ท่านจริงจักโลกลกับเวทูรู้แจ้งโลกอืมเรามันรู้ไม่แจ้งโลกโลกโอ้มันมีความมืดอยู่อย่างนั้นอันนี้ให้โยมไปพิจารณาดูสินะให้พิจารณา ให้เป็นการบ้านของญาติโยมทั้งหลายเอาวันนี้อัตมาให้ความรู้ให้ความเห็นพอสมควรแล้วฉะนั้นอัตมาก็จะขอยุติพระสัตธรรมเทศนาไว้เพียงตัวนี้